ดูก่อนพระดาพระ อ, อ น, นตลกล่าวต่อไปเมื่อนางวิสาขากล่าวจบลงท่านมิขารเศถีก็ก้มหน้านิ่งไม่รู้จะตอบนางประการใดพรามชำระความระหว่างสัยและพ่อผัวจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านเศษฐีเรื่องทั้งหมดนี้นางหามีความผิดไม่เลยนางเป็นผู้บริสุทธิ์ เศรษฐีจึงกล่าวขอโทษนางวิสาขาที่ท่านเข้าใจผิดไปนางวิสาขาจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาบัดนี้ข้าพเจ้าพ้นจากความผิดทั้งปวงแล้วจึงสมควรจะกลับไปสู่เรือนแห่งบิดาตนยาเลยลูกรักวิคาและเศรษฐีพูดกับลูกสะใภ้ด้วยสายตาวิงวอนนางวิสาขาจึงกล่าวว่า เมื่อนางอยู่เรือนตนณ น, นครสาเกตได้มีโอกาสทาบุญและฟังธรรมตามโอกาสที่ควรแต่เมื่อนางมาอยู่ที่นี่แล้วนางไม่มีโอกาสทาได้เลยจิตใจกวนกวายใคร่จะทาบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาแต่หาได้กระทำไม่ถ้าบิดาจะอนุญาตให้นางทาบุญกุศลตามต้องการนางก็จะอยู่แต่ถ้าท่านบิดาไม่อนุญาต นางก็จะขอลากลับไปสู่นครสาเกตตามเดิมเศรษฐีจึงกล่าวว่าลูกรักทําเถิดทําบุญได้ตามปรารถนาพ่อไม่ขัดข้องและปุณณวัฒนกุมารสามีของเจ้าก็คงไม่ขัดข้องเช่นกันดูก่อนพราดาเมื่อเศรษฐีกล่าวอนุญาตเช่นนี้หัวใจของนางวิสาขาที่เคยเหี่ยวแห้ง ก็กลับชุ่มชื่นเบิกบานประหนึ่งตินชาติซึ่งขาดน้ำมาเป็นเวลานานและแล้วกลับได้อุทธกธาราเพราะพิรุณหลังในต้นวัสาสารฤดูหรือประดุจประทุมมานเบ่งบานขยายกลีบเมื่อต้องแสงระวียแรกรุ่งอรุณความสุขใดเล่าสำหรับผู้ใคล้บุญจะเสมอเหมือนการมีโอกาสได้ทำบุญ หรือเพียงแต่ได้ฟังข่าวว่าจะได้ทำบุญเชกนักเลงสุราบานซึ่งชื่นชมยินดีข่าวแห่งการดื่มสุราเมื่อทราบว่ามีผู้เชื้อเชิญวันรุ่งขึ้นนางวิสาขา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 เพื่อร่วมฟังอนุโมทนาด้วยตามปกติเศรษฐีไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาเวลานั้นยังศรัทธาคำสอนของนิคนน้าตาบทอยู่ไม่ปรารถนาจะมาเฝ้าพระศาสดาเลยแต่ด้วยความเกรงใจลูกสะั้ยจึงมาพระผู้มีพระภาคทรงทราบอุปนิสัยและความรู้สึกของเศรษฐีดีอยู่แล้วจึงทรงหลังพระธรรมเทศนา อันประกอบด้วยเหตุผลแพรวพราไปด้วยเทศนาโวหารและอุทธาหนพระองค์ตรัสว่าข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองหรือของที่บุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาสกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยอื่นๆทั้งหมดนี้บุคคลนำไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ทั้งหมด แต่สิ่งที่บุคคลทำด้วยกายวาจาหรือด้วยใจนั่นแหละที่จะเป็นของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องนำไปเหมือนเงาตามตัวเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงสั่งสมกัลยานธรรมอันจะนำติดตัวไปสู่สำปรายพบได้เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์ตรัสว่า ทรงเห็นด้วยกับคำกล่าวของบัณดิตผู้หนึ่งว่าเมื่อไฟไหม้บ้านภาชนะเครื่องใช้อันใดที่เจ้าของนำออกไปได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไม่ได้ถูกไฟไหม้วาดวายอยู่ณที่นั้นเองฉันใดเมื่อโลกนี้ถูกไฟคือความแก่ความตายไม่อยู่ก็ฉันนั้นคือผู้ฉลาดย่อมนำของออกด้วยการให้ทาน ของที่บุคคลให้แล้วชื่อว่าน้ำออกดีแล้วมีความสุขเป็นผลส่วนของที่ยังไม่ได้ให้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่แต่โจรอาจโมยเสียบ้างไฟอาจจะไหม้เสียบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลย่อมละทรัพ ส, สมบัติและแม้สรีระของตนไว้นำไปไม่ได้เลยผู้มีปัญญารู้ความจริงข้อนี้แล้ว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 เขาเก็บพันข้าวปลูกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่หวานลงแล้วหนึ่งเม็ดย่อมได้ผลหนึ่งรวงชั้นใดฐานที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากผลไ a ศา a การรวบรวมทรัพย์ไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีคุณแกต่ตนอย่างไรเหมือนผู้มีเครื่องประดับอันวิจิตรการตา แต่หาได้ประดับไม้เครื่องประดับนั้นจะมีประโยชน์อะไรรังแต่จะก่อความหนักใจในการเก็บรักษานกชื่อไม้หะกกะชอบเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเรียบ ที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่นั่นเองหมูนกเหล่าอื่นบินมากินผลเลียบตามต้องการแล้วจากไปนกไมหั ก, กะก็ยังคงร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทรัพย์ไว้มากหลายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควร ทั้งมิได้ใช้สอยเองให้ผาสุกหมัวเฝ้ารักษาและภูมิใจว่าของเรามีของเรามีามดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนี้ทรัพย์สมบัติย่อมเสียหายไปสุดโทมไปด้วยเหตุต่างๆมากหลายเขาก็คงคร่ำครวญอยู่อย่างเดิมนั่นเองและต้องเสียใจในของที่เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์ คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นดูก่อนท่านทั้งหลายพระศาสดาตรัสต่อไปทรัพย์ของคนไม่ดีนั้นไม่สู้อำนวยประโยชน์แก่ใครเหมือนสะโบกคอลนีอันตั้งอยู่ในที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจืดสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมแต่มหาชนก็หาได้ดื่มอาบ หรือใช้สอยตามต้องการไม่น้ำนั้นมีอยู่อย่างไร้ประโยชน์ทรัพย์ของคนตรหนีก็ฉันนั้นไม่อำนวยประโยชน์สุขแก่ใครๆเลยรวมทั้งตัวเขาเองด้วย ส่วนคนดีเมื่อมีทรัพย์แล้วย่อมบำรุงมารดาวิดาบุตรพันยาบบาวไพร่ให้เป็นสุขบำรุงสมณะพรามนาจารย์ให้เป็นสุขเปรียบเหมือนสะโบครณีอันอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคมมีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นน่ารื่นรมมหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบดืม่มและใช้สอยตามต้องการ โคะของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาหมดไปโดยปาประโยชน์ไม่ดูก่อนท่านทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากหรือนักมวยปล้ำซึ่งมีพลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กำลังมาเขาก็ต้องออกกำลังไปก่อนการเสียสละนั้นคือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบั้นปลายส่วนผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไร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 ไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลยพืชพันธัญญาหารณบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตรณีเมื่อได้ทรั์แล้วก็เก็บตุนไว้ไม่ทายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เหมือนแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตรณีเป็นเหมือนน้ำที่ไหลเอืออยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาด ทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ทรับแล้วพึงบำเพ็ญตนเสมือนแม่น้ำซึ่งไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายยัญญะสัมปทาหรือทานจะมีผลมากอนิสงผัยสารถ้าประกอบด้วยองค์6กล่าวคือ 1. ก่อนให้ผู้ให้ก็มีใจผ่องใสชื่นบาน 2. เมื่อกําลังให้จิตใจก็ผ่องใส 3. เมื่อให้แล้วก็มีความยินดีไม่เสียดาย 4. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากราคะ 5. ผู้รับปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะหกผู้รับปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโมหะ ทานที่ประกอบด้วยองค์หกนี้แหลเป็นการยากที่จะกำหนดผลแห่งบุญว่ามีประมาณเท่านั้นทุนี้อันที่จริงเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ไม่มีประมาณเหลือที่จะกำหนดเหมือนน้าในมหาสมุตรย่อมกำหนดได้โดยยากว่ามีประมาณเท่านั้นทุนี้ ดูก่อนท่านทั้งหลายคราวหนึ่งพระเจ้าปเปเสณทิโกศลราชาแห่งแควน้นนี้เข้าไปหาตถาคตและถามว่าบุคคลควรจะให้ทานในที่ใดเราตอบว่าควรให้ในที่ที่เลื่อมใสคือเลื่อมใสบุคคลใดคณะใดก็ควรให้แก่บุคคลนั้นคณะนั้นพระองค์ถามต่อไปว่าให้ทานในที่ใดจึงจะมีผลมาก เราตถาคตตอบว่าถ้าต้องการผลมากกันแล้วละก็ควรจะให้ในท่านผู้มีศีลการให้แก่บุคคลผู้ทุศีลหามีผลมากอย่างนั้นไหมสถานที่ทาบุญเปรียบเหมือนเนื้อนาเจตนาและทยธรรมของทายกเปรียบเหมือนเมล็ดพืชถ้าเนื้อนาบุญคือบุคคลผู้รับเป็นคนดีมีศีลธรรมและประกอบด้วยเมล็ดพืช คือเจตนาและทายธรรมของทายกบริสุทธิ์ทานนั้นย่อมมีผลมากการหวานข้าวลงในานาที่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกและหญ้าคาต้นข้าวย่อมขึ้นได้โดยยากฉันใดการทำบุญในคณะบุคคลผู้มีศีลอยอมมีธรรมน้อ ย, อยก็ฉันนั้นคือย่อมได้บุญน้อยส่วนการทำบุญในคณะบุคคลซึ่งมีศีลดีมีธรรมงาม ย่อมจะมีผลมากเป็นภาวะอันตรงกันข้ามอยู่ดังนี้พระศาสดายังพระธรรมเทศนาให้จบลงด้วยปชิมพ์ว่าเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลหยาดน้ำไหลลงทีละหยดยังทำให้หม้อน้ำเต็มได้การสั่งสมบุญหรือบาปแม้ทีละน้อยก็ฉะนั้นผู้สั่งสมบุญ ย่อมเปรี่ยมล้นไปด้วยบุญผู้สังสมบาทย่อมเพียบแปร่ไปด้วยบาปพระธรรมเทศนาเป็นเสมือนจุดแสงสว่างให้โพงขึ้นในดวงใจของเศรษฐีเขาคลานเข้ามาถวายบังคมพระมงคลบาทแห่งพระาศาสดาพร้อมด้วยกล่าวสรรเสริญว่าจำแจ้งจริงพระเจ้าข้าจำแจ้งจริงเหมือนทรงหายของที่ควา่าเปิดของที่ปิด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 ดูก่อนผู้สแสวงสันติวรบทพระอนอนต์กล่าวต่อไปตั้งแต่บัดนั้นมาบิคาราเษธีก็นับถือนางวิสาขาในสองฐานะคือฐานะสภัายและฐานะแม่จึงเรียกนางวิสาขาว่าแม่แม่ทุกคำไปเพราะถือว่านางวิสาขาเป็นผู้จูงให้ท่านเดินเข้าทางถูกจูงออกจากทางรก เมื่อคนทั้งหลายพูดถึงนางวิสาขาก็มักจะเติมส้อยคำตามมาข้างหลังว่าวิคารมานดาแม้พระสาวกซึ่งเป็นภิกษุเมื่อกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประทับอยู่ที่ปุปภารามก็กล่าวว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนปะราสาทของนางวิสาขามิคารมานดาในปุถาราม ด้วยเหตุที่บิดาแห่งสามีเรียกตนว่าแม่และคนทั้งหลายพากันเรียกนางว่ามิคารมานดานางวิสาขารู้สึกละอายและกระดากแต่ไม่ทราบจะทำประการใดเมื่อมีลูกชายในระยะต่อมาจึงตั้งชื่อลูกชายให้เหมือนชื่อปู่ของเด็กว่าวิคาระเพื่อจะได้แก้ความขวยอายและกันความละอายเมื่อมีผู้เรียกนางว่าวิคารมานดา จะได้หมายถึงมารดาแห่งมิคาระลูกชายของตนตั้งแต่มิคาระเศรษฐีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วประตูบ้านของนางวิสาขาก็เปิดออกสำหรับต้อนรับพระสงฆ์สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคมีเสมอที่นางนิมนต์พระสงฆ์จํานวนร้อยมีพระพุทธองค์เป็นประมุขเพื่อรับพัะตาหารและเสวยที่เรือนของนางมหาสมุทรย่อมไม่อิ่มด้วยน้า บัณฑิตและปราดย่อมไม่อิ่มด้วยคําสุภาษิตผู้มีศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมย่อมไม่อิ่มด้วยการทําบุญนางวิสาขาเป็นผู้มีศรัทธาจะให้นางอิ่มด้วยบุญได้ไหนเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่านางทําบุญทํากุศลโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายความสุขใจเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐที่สุด ก็ความสุขใจอันใดเล่าจะเสมอด้วยความสุขความอิ่มใจเพราะรู้สึกว่าตนได้ทำความดีเป็นความสุขที่พองแผ้วสงบและชื่นบานเหมือนสายน้ำที่กระเซ็นจากขุบผาก่อความชื่นชำ่ำให้แก่กระกายชันใดก็ชันนั้น ตลอดเวลาที่พระาศาสดาประทับอยู่กรุงสาวัตถีนางจะไปเฝ้าพระองค์วันละสองเวลาคือเวลาเช้าและเวลาเย็นเมื่อไปเวลาเช้าก็ถือยาคูและอาหารอื่นๆติดมือไปด้วยเมื่อไปเวลาเย็นก็มีน้ำปานะชนิดต่างๆที่ควรแก่สมณะบริโภคไปนางไม่เคยไปมือเปล่าเลยทั้งภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา ต่างก็พร้อมใจกันเรียกนางว่ามหาอุบาสิกาเพื่อเป็นเกียรติแก่นางผู้มีใจประเสริฐคราวหนึ่งนางกลับจากงานมงคลในกรุงสาวัตถีข้าพเจ้าลืมเล่าให้ท่านไปว่างานมงคลทุกงานในกรุงสาวัตถีเจ้าของงานจะถือเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ถ้านางวิสาขาได้ไปร่วมงานด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะเชิญนางแทบจะทุกงาน การไปของนางวิสาขาถือกันว่าเป็นการนํามงคลมาสู่บ้านสู่งานนี่แหละท่านพระาศาสดาจึงตรัสว่าเกียรติย่อมไม่ละผู้ประพฤติธรรมทำที่บุคคลกระพฤติดีแล้วย่อมนําสุขมาให้เมื่อไปในงานมงคลนางก็ต้องสวมเครื่องประดับมหาราดาประสาทใสวยงามและเลิ่อ่ากลับจากงานแล้ว นางต้องการจะแวะไปเฝ้าพระศาสดาแต่เห็นว่าไม่ควรจะสวมเครื่องประดับมหาลดาประสาทเข้าไปจึงถอดแล้วห่อให้หญิงคนใช้ถือไว้เมื่อเฝ้าพระศาสดาพอสมควรแก่เวลาแล้วนางก็ถวายบังคมลากลับออกมาถึงหน้าวัดเชตวันนางจึงเรียกเครื่องประดับนั้นจากหญิงคนใช้เพื่อจะสวมแต่ปรากฏว่าหญิงคนใช้ลืมไวหน้าที่ประทับ ของพระศาสดานั่นเองพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ข้าพเจ้าเก็บไว้เพื่อนางมาในวันรุ่งขึ้นจะได้ส่งคืนสักครู่หนึ่งหญิงรับใช้กลับมาเพื่อจะรับคืนข้าพเจ้าจึงนำห่อเครื่องประดับนั้นมาจะมอบให้หญิงคนใช้มีท่าทางตื่นตกใจอย่างมากนี่เครื่องประดับของนายเธอรับไปเถิดข้าพเจ้าพูดพร้อมด้วยวางของลง ข้าแต่พระคุณเจ้านางคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าพูดด้วยเสียงสันเครือมีอาการเหมือนจะร้องไห้แม่นายสั่งไว้ว่าถ้าพระคุณเจ้าจับต้องและเก็บเครื่องประดับไว้แล้วก็ไม่ต้องรับคืนแม่นายบอกว่าพระคุณเจ้าเป็นที่เคารพของแม่นายยิ่งแม่นายไม่สมควรจะสวมเครื่องประดับที่พระคุณเจ้าจับต้องแล้วเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้ารับคืนไปไม่ได้ดอกน้องหญิงข้าพเจ้าพูดเครื่องประดับมหาลดาปราสาทนี้มีค่ามากนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องประดับของสตรีไม่สมควรที่สมณะจะเก็บไว้อัตมาจะเอาไว้ทําอะไรจงรับคืนไปเถิดและบอกนางว่าอัตมาให้รับคืนไปน้องหญิงทําตามคําขอร้องของอัตมา นายของเธอคงไม่ว่ากระไรดอกแม่นายสั่งไว้ว่าให้ถวายพระคุณเจ้าอาตมา จ, จะเอาไว้ทำอะไรหญิงคนใช้จำใจต้องรับเครื่องประดับคืนไปนางเดินร้องไห้ไปพลางพกเกรงจะถูกลงโทษนางวิสาขาเห็นหญิงคนใช้เดินร้องไห้กลับไปพร้อมด้วยห่อของนางก็คาดเหตุการณ์ได้โดยตลอดจึงกล่าวว่า พระคุณเจ้าอันนท์เก็บไว้หรือเจ้าค่าแล้วเธอร้องไห้ทำไมข้าเสียใจที่รักษาของแม่นายไว้ไม่ได้แม่นายจะลงโทษข้าประการใดก็ตามเถิดข้ายอมรับผิดทุกประการเครื่องประดับนี้มีค่ายิ่งกว่าชีวิตของข้าม่ใช่เพียงแต่ชีวิตของข้าเท่านั้นแต่มีค่ายิ่งกว่าชีวิตครอบครัวและญาติญาติของข้าทั้งหมดรวมกัน ว่าแล้วนางก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นกลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของนางวิสาขา เวลานั้นเย็นมากแล้วพระอาทิตย์โคจรรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกไปแล้วแต่ความมืดยังไม่ปรากฏในทันทีท้องฟ้าระบายด้วยแสงสีม่วงสลับฟ้าในบางที่และสีเหลืองอ่อนสลับฟ้าในบางแห่งรวมเมฆลอยเลื่อนตามแรงลมและปลิวกระจายเป็นครั้งกล่าวมองดูเป็นรูปต่างๆสลับสล่างสวยงามน่าพึงชม ลมเย็นพัดเฉยฉิวสบายน้อยผืนบางของวิสาขาพิวกระพือตามแรงลมผมอันงอนงามฟูสยายของนางไหวพริュ๊ปลิวกระจายใบหน้าซึ่งเอิบ อ, อิ่มอยู่แล้วยิ่งเพิ่มความอิ่มเอิบมากขึ้นพระดุษสิทธิรในวันปุรณมีดิถีมีรัศมียองใหญ่เป็นเงินยวง และถูกแวดวงด้วยกลุ่มเมฆเสียงชนีซึ่งอาศัยอยู่ในแนวป่าใกล้วัดเชตวันกูก้องโหยหวนปานประหนึ่งเป็นสัญญาณว่าทิวาการจะสิ้นสุดลงแล้วหมูเด็กเลี้ยงแกะและเลี้ยงโคเดินดุ่มต้อนฝูงแกะและฝูงโค ข, ของตนของตนเข้าสู่คอก อาชบาลและโคบาลเหล่านั้นล้วนมีกริยาร่าเริงชั้นเดียวกันกับสกุณนาทั้งหลายซึ่งกำลังโบยบินกลับสู่รวงรัง นางวิสาขายืนสงบนิ่งกระแสะความรู้สึกของนางไหลเวียนเหมือนสายน้ำในวังบนนางคิดถึงชีวิตธาตุอนิจจาชีวิตธาตุช่างลำบากและกังวลเสียนี่กระไรรับใช้ใกล้ชิดเกินไปก็หาว่าประจบสอพอเหิรนห่างไปหน่อยเขาก็ว่าทอดทิ้งธุระของนายพูดเสียงค่อยเขาก็ว่าไม่เต็มใจตอบผู้เสียงดังไปหน่อย เขาก็ว่ากระโชกโกหักใครเล่าจะสามารถรับใช้นายได้อย่างสมบูรณ์ชีวิตทาาเป็นชีวิตที่ลำเค็นเหนื่อยยากทั้งๆ ท, ที่เป็นอย่างนี้คนท่าส่วนมากก็เป็นคนซื่อสัตย์เสียสละและกะตันอยู่เสรีชนด้วยซ้ำไปที่ส่วนมากคอยแต่ตลบตะแลงเอารัดเอาเปรียบและคดโกงมีตัวอย่างที่หาได้ง่ายสำหรับทาา ซึ่งสื่อสัตว์กตัญญูและเสียสละต่อ น, นายของตนแต่สำหรับนายแล้วหาได้ยากเหลือเกินที่จะเพียงแต่เสียสละเพื่อทาตเท่านั้นอย่าพูดถึงความสู้ตรงเลยนายส่วนมากมักจะใช้ทาตไม่เป็นเวลาใช้วาจาหวานล้อมให้ทาตหวังอย่างลมๆแ้งๆเหนียวบำเหน็ตทำความผิดน้อยเป็นผิดมากส่วนความดีความชอบนั้นมิค่อยจะได้พูดถึง หญิงคนใช้ของเรานี้นางวิสาขาคิดต่อไปเพียงแต่ลืมเครื่องประดับไว้และนำคืนมาได้ไมิใช่ทำของเสียหายอย่างใดยังยอมเอาชีวิตของตนมาถ่ายถอนความผิดเราจำจะต้องปลอบนางให้หายโศกและบารุงหัวใจนางด้วยคําหวานเพราะโบราณคำผีกล่าวไว้ว่าแสงจันทร์ก็เย็นกลิ่นไม้จันทร์ก็เย็น